เจริญนรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่31พะศ ภ, ภาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันพระรหัสขึ้น15ค่ำเดือน7เป็นวันสำคัญที่สุด ของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันวิสาขาบูชาวันที่เราน้องจิตน้อมใจบูชาพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้มีคุณอย่างยิ่งแด่สัตว์โลกทั้งหลายการมาเกิดของพระพุทธเจ้าแต่และองค์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆและการประกาศสอนพระธรรมคาสอนก็ไม่ได้สอนด้วยการทุกๆพระองค์มีวังองค์ได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก็ไม่ได้สั่งสอนสัตว์โลกพระองค์ก็เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าคือรู้ความจริงหลุดพ้นจากความทุกข์ เพียงพระองค์เดียวไม่ได้นำเอาความรู้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกสัตว์โลกก็เลยไม่ได้รับประโยชน์จากการปรากฏขึ้นของพระพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าไม่มีพุทธศาสนาแต่ถ้าพระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนพระธรรมคำสอนก็จะมี พระศาสนาคือมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีผู้ที่สามารถได้รับประโยชน์จากพระศาสนาอย่างพวกเราเป็นต้นทำให้พวกเราสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นการ ที่เราล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่ล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเราเมื่อแต่ไปธรรมาหาเกียรตหาความสุขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะลืมพระพุทธเจ้าจะลืมพระพุทธศาสนาและเราก็จะขาดสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ ที่จะช่วยเราได้ในยามที่เรามีความทุกข์เพราะเวลาที่เรามีความทุกข์นั้นไม่มีอะไรจะดับความทุกข์ในใจของเราได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ยังหนีพ้นความทุกข์ไปไม่ได้ ต่อให้เป็นประธานาธิปดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหากรย์ก็ยังหนีความทุกข์ไปไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจแล้วจะต้องตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ด้วยกันทุกคนพวกเราจึงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ลำลึกถึงวัน ของพระพุทธเจ้าคือวันประสูติวันตัสรูและวันเสด็จดับขันธนิพพานซึ่งตรงกันวันเดียวกันแต่ต่างปีกันคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกถ้าเป็นปีที่มีอาธิตย์กรมาเช่นปีนี้ก็เลื่อนเลื่อนมาเป็นเดือนเจ็ดวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกตามปกติ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติคือได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วหลังจากนั้นอีก35ปีก็ได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นอีก45ปีก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกช่วยเหลือสัตว์โลกให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีปัญญาที่จะพาให้ตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมีเป็นจำนวนมากในสมัยพระพุทธเจ้านี้ก็มีผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาแก่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปและหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปริณีพานไป ในอายุพรรษาที่แปสิแล้วพระองค์พระสรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อมาจนถึงทุกวันนี้เวลาที่เราได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนได้ประพฤติปฏิบัติตามก็เท่ากับเราได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าทำวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหลจะเป็นาศาสดาของพวกเธอพวกเธอจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากาศาสดาคือจะไม่ได้อยู่โดยปราศจากครูบาอาจารย์ถ้าพวกเธอนำเอาํำสอนของตถาคตไปศึกษาไปปฏิบัต จนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเธอก็จะได้เห็นตถาคตที่แท้จริงอยู่ในใจของเธอนั่นและผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตคือผู้ที่เห็นธรรมนั่นเองผู้ที่จะเห็นธรรมได้ต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อแล้วก็นําเอา คำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับกายวาจาใจของตนชําระกายวาจาใจให้สะอาดจนในที่สุดก็จะปรากฏเป็นโดงตาเห็นธรรมขึ้นมานี่คือเรื่องของพพระพุทธเจ้าของพวกเราการมาเกิดของมนุษย์นี้ก็มาเกิดได้สามลักษณะด้วยกันคือมามาเกิดดีคือมาดีสอง มาไม่ดีและสามมาจะดีก็ไม่ใช่จะไม่ดีก็ไม่เช่ก็ไม่เชิ่คนที่มาเกิดในรคนี้มาอยู่ในสามลักษณะสาหรับพระพุทธเจ้าของเรานี่ท่านมาดีท่านมาแล้วมาทาบุญทําประโยชน์ทาคุณทําประโยชน์ให้กับพระ อ, องค์และให้กับสัตว์โลกพวกที่มาเกิดแล้ว มาไม่ดีกับพวกที่มาแล้วมาสร้างความเดือดร้อนมาสร้างความวุ่นวายมาสร้างความหายนะให้กับตนเองและกับผู้อื่นส่วนพวกที่มาแบบกลางกางคือก็ไม่ได้มาทําคุณทําประโยชน์อะไรแต่ก็ไม่ได้มาสร้างความเสียหายมาสร้างความทุกข์ให้กับใครการมาของมนุษย์เรานั้นก็มี3มรูปแบบด้วยกัน การมาแบบพระพุทธเจ้านี้เป็นาการมาที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้เราได้รับกับความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะยึดเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าไว้เป็นตัวอย่างท่านสอนให้เราทำความดีเราก็ทำความดีท่านสอนให้เราละา บ, บาปเราก็ต้องละา บ, บาป สอนให้เราชำระกายวาจาใจให้สะอาดกำจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการปฏิบัติบูชาคือมีการทำบุญให้ทานมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรมเป็นต้นนี่คือการดำเนินชีวิตที่จะพาให้เราไปสู่ที่ดีไปสู่ที่เจริญ ทั้งตัวเราเองและกับผู้อื่นนี่คือการบูชาที่ถูกต้องคือบูชาด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติการบูชานั้นมีอยู่สองลักษณะด้วยกันคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาได้แก่การบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียน เป็นต้นส่วนการปฏบิบัติบูชาก็คือการทำความดีละบากาจัดความโลภความโกรธความหลนการบูชาทั้งสองชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว, ว่าการปฏิบัติบูบชานี้เป็นการบูชาที่แท้จริงเพราะจะให้ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติผู้บูชาได้อย่างแท้จริง เราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงสอนให้ทำดีก็หมายถึงให้เรามีความกตัญญูกตวเวทีให้มีความรู้สำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นท่านเป็นผู้ที่ให้เรามากกว่าที่เราให้ท่าน ท่านให้กำเนิดกับเราให้ความรู้กับเราให้เราได้อยู่ให้เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้บุญคุณของท่านจึงมีมากเราจึงควรที่ตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการแสดงความเคารพความกตัญญูกตเวทีมีโอกาสใดมีเวลาใดที่เราจะสามารถทดแทน บุญคุณให้กับท่านได้ก็ควรที่จะทำถ้ามีฐานะที่พอที่จะเลียเล้ยงดูให้ท่านอยู่อย่างเย็นเป็นสุขเราก็ต้องให้ท่านเราก็ต้องเลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเท่าๆกับที่เราอยู่กันอย่าให้พ่อแม่อยู่อย่างลาบากลาบนแล้วตัวเราเองอยู่กันอย่างสุขอย่างสบาย อย่างนี้ถือว่าไม่มีไม่ไม่มีความกตัญญูมีความกตัญญูนี้ต้องคิดถึงพ่อแม่เป็นอันดับแรกมากกว่าคิดถึงตัวเราเองเราต้องกล้าเสียสละเหมือนกับที่พ่อแม่ได้เสียสละให้กับเราเราเสียสละเพื่อให้พ่อให้แม่ได้สุขได้สบายไม่ได้เป็นเสียงเสียหายและจะไม่ได้ทำให้เราล่งจม แต่จะทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองต่อไปเพราะคนที่มีความกตัญญูเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่าสนับสนุนน่าคบค้าสมาคมจะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีใครประนาม ว, ว่าเป็นคนชั่วช้าเลวทรามแต่อย่างใดแต่คนที่ไม่มีความกตัญญูนี่แหละ จะเป็นคนที่ไม่มีใครเขาชื่นชมยินดีไม่มีใครยกย่องสรรเสริญไม่มีใครอยากจะคบค้าวสมาคมด้วยนี่คือความดีประการที่หนึ่งที่พวกเราทุกคนควรจะมีกันไว้เป็นพื้นฐานของความดีทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยากให้ด้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานแม้แต่สุนัข มันยังรู้จักคุณของคนที่เลี้ยงมันเวลามันเห็นเจ้าของมันจะร่ดีอกดีใจกระเดกขาวิ่งล้อมวิ่งล้อมล้อมหน้าล้อมหลังเอาอกเอาใจเจ้าของชั้นใดเราก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานเราอย่าให้สัตว์เดรัจฉานมันดีกว่าเราด้วยการไม่มีความกะตัอยูกระตะเวที นอกจากในความกระตันอยู่แล้วก็ให้มีความคารมมีสัมมาคาระวะให้รู้จักที่สูงที่ต่ำในโลกนี้เรามีคนที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันจะจะถือว่าเท่ากันหมดไม่ได้คนที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความคารมคนที่อ่อนกว่าเราเราก็ให้ความเมตตาให้ความสงสาร คนที่เท่ากับเราเราก็ให้ความเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะแต่ละคนนี่มีฐานะที่แตกต่างกันเราควรที่จะประพฤติปฏิบัติกับคนแต่ละเพศคนแต่ละฐานะให้สมกับฐานะของเขาเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ปุยาตายาย ผู้หลักผู้ใหญ่ก่าเราเราก็ต้องขวรให้ความเคารพเพราะจะทำให้เราเป็นคนดีเป็นคนเจริญนั่นเอง <Yeah. S 1> นอกจากการทำความดีที่ยกขึ้นมา <Yeah. S 1> เป็นตัวอย่างสองชนิดนี้แล้ว <Yeah. S 1> ก็ส่งสอนให้เราละบาปอย่าทำความชั่วอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่ารักศัพย์อย่าประพุตผิดประเวณีอย่าพูดโกหกหลอกลวง และอย่าเสพสุรายาเมาเพราะการกระทาทั้ง5อย่างนี้เป็นโทษทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นจะทำให้เราต้องตกทุกข์ยากลาบากจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปจึงไม่ควรที่จะทำบาปถ้าเราไม่อยากที่จะต้องตกอยู่ใน พ่ของความทุกข์ของความของความลำบากและประการสุดท้ายก็ทรงสอนให้เราต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเชื้อโรคถ้ามีอยู่ในร่างกายก็จะทำให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องกาจัดมันด้วยธรรมโอสฐ คือการทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภที่เราโกรธที่เราหลงในเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ม, มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเราไม่ต้องไปอยากได้มันเพราะได้มันมาแล้วเวลามันจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจ เวลาเราโปรดใครเราก็ไม่ต้องไปทำร้ายไปฆ่าเขาเพราะเดี๋ยวเขาก็ต้องตายไปเองเพราะพนเราทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปด้วยกันใครทำบุญทำกรรมอะไรมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องใช้บุญใช้กรรมของเขาไปเราไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมเพราะมันจะย้อนกลับมาหาเรา ถ้าเราอยู่เฉยๆเวลาโกรธเราก็ทำใจให้นิ่งให้อภัยไม่จองเวรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแล้วไม่ช้าก็เร็วคนที่เขาทำให้เราโกรธเขาก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมของเขาเองไปตกทุกข์ได้ยากไปตายในที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรให้เสียเวลาให้เหนื่อยยากไปต่อป่านี่คือการ ที่เราจะสามารถกําจัดความโลภความหลงความอยากต่างๆได้ด้วยการเจริญปัญญาให้คิดเสมอว่าไม่มีอะไรเท็จแท้แน่นอนไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดอยากจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็พยายามมองให้เห็นว่ามันมีความทุกข์ด้วยไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียว เวลาได้อะไรมาก็จะมีความสุขเรี่วฮีใจแต่ก็ต้องมาห่วงมากังวลมาต้องต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เมื่อสิ่งที่ได้มาต้องจากเราไปสู้ไม่ต้องเอามาดีกว่าคนเราไม่จาเป็นต้องมีสิ่งอะไรมากมายกายกองถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็พอแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเ อ, อื่นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปก็อยากไปมีมันพระพุทธเจ้าสอนให้ลองหาความสุขในภายในใจของเราด้วยการปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปโกรธใครอย่าไปหลงอะไรแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมา และทาตนเป็นตัวอย่างจนมีผู้อื่นได้นำเอาไปศึกษาและเอาไปปฏิบัติและสามารถอยู่อย่างพระพุทธเจ้าได้เป็นจานวนมากพวกเราก็อยู่ในฐานะที่จะสามารถดำเนินตาที่พระพุทธเจ้าทรงดาเนินมาได้ถึงแม้จะไม่ได้ร้อเอเซ็อย่างน้อยเราก็จะพอที่จะทําให้ชีวิตของเราไม่วุ่นวาย ไม่ทุกมากจนเกินไปเวลาอยากจะได้อะไรไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ก็ตัดใจไปเสียไม่มีก็ไม่ตายพูดเพียงเท่านี้คิดเพียงเท่านี้เราก็สบายไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยเพื่อที่จะไปหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้ทำให้เราวิเศษวิสุ์ขึ้นมามันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไป แต่จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วการดำเนินชีวิตด้วยการทำความดีคือมีความกตัญญูมีสัมมาครราวะการละ บ, บาปและการกำจัดความโลภความขวดความหลงก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุดมีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง จึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นปฏิบัติบูบชาในวันสำคัญเช่นวันนี้คือวันวิสาข บ, บูชาแล้วความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของท่านก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้